ธรรมบทแปลเรื่องที่119เรื่องนางสิริมาภาคที่หเรื่องที่สองของวรรคที่11อชราวัคะวันานาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบนางสิริมาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัสสัต จิตตะกะตังพิมพังเป็นต้นตอนนางสิริมาบรลุโสดาปฏิผลดังได้สดับมานางสิริมานั้นมีรูปร่างงดงามเป็นหญิงแพทยาในกรุงราชครืภายในพรรษาหนึ่งได้ประทุสร้ายต่ออุบาสิกานามว่าอุตตราซึ่งเป็นทิดาของปุณณะเศษฐี ผู้เป็นภริยาของสุมาณเศรษฐีบุตรประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสจึงทูลขอขมาพระศาสดาผู้ทรงรทมพัตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นได้ฟังพัฒ ต, ตานุโมทนาของพระทศพลบรรลุโซดาปฏิผลแล้วในเวลาจบพระคาถาว่าอะโกเทนะ ชิเนโกทังอซาทุงซาทุนาชิเนจิเนกัทริยังทานีนะสัจเจนาลิกาวาทินันติพึงชำนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชำนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชำนะคนตรนี่ด้วยการให้ปันพึงชำนะคนพูดพร่อยๆด้วยคำจริง นี้เป็นความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อเรื่องพิสดารจากมีแจ้งในวรรณนาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกทวักนัแลนั่งสิริมานั้นครั้นบรรลุสดาปฏิผลอย่างนี้แล้วนิมนต์พระทศพลรุ่งขึ้นถวายทานเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัฏฐกะพัตเพื่อพระสงค์ไว้เป็นประจำ ตั้งแต่วันนั้นมาภิกษุ8รูปไปเรือนเสมอนางเ อ, อ่ยปากว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นแล้วปรนจุพัดให้เต็มบาตรของภิกษุเหล่านั้นอาหารบินทบาต ท, ที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมพอเพียงแก่ภิกษุสมรูปบ้างสี่รูปบ้าง นางถวายบิณฑบาตด้วยการจ่ายทรัพย์16บกกระหาปณ ะ, ะทุกวันต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอัฏกภพในเรือนของนางแล้วได้ไปวิหารแห่งหนึ่งณที่ไกลาสามโย์ครั้งนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บํารุงพระเถระในเวลาเย็นว่าผู้มีอายุรับภิกษาที่ไหนมาเธอตอบว่า ผมไปฉันอัฐกพัดของนางศสีมามาพวกภิกษุถามอีกว่านางทำของอันหน้าพึงใจถวายไ้ยผู้มีอายุตอนภิกษุพรรณนาความดีของนางศสดีมาเธอจึงกล่าวคุณของนางว่าผมไม่สามารถจะพรรณนาพัดของนางได้นางทำถวายแสนจรประณีิต ภาที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสมรูปบ้างสี่รูปบ้างแต่การได้เห็นนางนั้นแลดีเสียยิ่งกว่าทยธรรมของนางอีกเพราะนางสวยงามเช่นนี้เช่นนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคําที่พรณนาคุณของนางเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยคิดว่า ทวนที่เราจะไปดูนางแล้วบอกจำนวนพรรษาของตนแล้วถามลำดับกับภิกษุนั้นแล้วได้ยินว่าผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านเป็นพระสังฆเถระจักได้อัฐกภพัดในเรือนนั้นจึงคว้าบาและจีวอลเหล็กไปในขณะนั้นเองเมื่ออรุณขึ้นแต่เช้าเที่ยวเข้าไปสู่โรงพัดยืนคอยอยู่แล้ว เป็นพระสังฆเถรรักได้อัฐกภพในเรือนของนางตอนนางสิริมาเจ็บก็ในเวลาที่ภิกษุนั่นฉันแล้วลีกไปในวันวานนั่นเองโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของนางฉะนั้นนางจึงเปลื้องอาพรแล้วนอนขณะนั้นพวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้อัตกะพัดมาแล้วจึงบอกแกนางนางไม่สามารถจะรับบาดแล้วนิมนต์ให้นั่งหรืออังคาดด้วยมือของตนได้จึงสั่งพวกทาสีว่าแน่แม่ทั้งหลายพวกเธอรับบาดแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งให้ดื่มข้าวยาคูถวายของเคี้ยวในเวลาฉันพัดจงบรรจุพัดให้เต็มบาดแล้วถวายเถิด ท่าศีเหล่านั้นรับว่าดีล่ะคุณแม่แล้วนิมนต์พิกสูทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยาคูถาวายของเคี้ยวแล้วในเวลาฉันพัดบรรจุพัดให้เต็มบาทแล้วบอกแก่นางนางกล่าวว่าจงช่วยพยุงฉันไปทีฉันจะไหวพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอันท่าศีเหล่านั้น พยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้วได้ว่ายภิกษุทั้งหลายด้วยสรีระอันสันเทิมอยู่ภิกษุนั้นแลดูนางแล้วคิดว่าความสวยงามแห่งรูปของผู้หญิงผู้เป็นไข้นี้ยังสวยงามถึงเพียงนี้ก็ในเวลาไม่มีโรครูปสมบัติของนางคนนี้ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาพรทุกอย่างจะสวยงามสักเพียงไร ครั้งนั้นกิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกฎปีกำเริบขึ้นแล้วภิกษุนั้นมิได้มีใจจดจ่อที่อื่นมีใจจดจ่อแต่เฉพาะนางเท่านั้นไม่สามารถจะชันอาหารได้จึงถือบาทกลับวิหารปิดบาทวางไว้ในส่วนข้างหนึ่งปูจีวรนอนแล้วลำดับนั้น ภิกษุสหายของเธอรูปหนึ่งแม้อ้อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันได้ภิกษุนั้นได้อดอาหารแล้วตอนนางสิริมาถึงเก่กรรมในเย็นวันนั้นเองนางสิริมาได้ทำกาลกิริยาแล้วพระราชาทรงส่งพระราชสารไปถวายพระสาสดา ว, ว่าพระเจ้าข้านางสิริมา น้องสาว ห, หมอชีวกได้ทํากาละกิริยาเสียแล้วพระสัสดาทรงสดับเรื่องนั้นจึงทรงส่งข่าวไปแด่พระราชาว่ากิจคือการเผาศพนางสรีมายัางไม่มีพระองค์จงทรงรับสั่งให้เอาศพนางสรีมานั้นนอนในป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิด พระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งแล้วสามวันล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่ 4, สี่สิริระขึ้นผองแล้วมูนอนไตออกจากปากแผลทั้งเก้าสรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นเด็กๆที่เฝ้าเรือนเสีย ใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับแปดกหาปณ ะ, ะและได้ส่งพระราชสารไปสำนักพระศัสดาว่าในว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอจงมาดูนางสิริมาพระสัสดารับสั่งให้พเดีงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้น ไม่เชื่อฟังคำของใครๆเลยตลอดสี่วันอดอาหารนอนเศร้าอยู่แล้วข้าวสวยในบาดบูดสนิมก็ขึ้นในบาดลำดับนั้นภิกษุสหายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าผู้มีอายุพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาเธอแม้ถูกความหิวแผดเผาอยู่อย่างนั้นก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็ว ในพระบทที่กล่าวว่าสิริมานั่นเองกล่าวถามว่าท่านว่าอะไรนะเมื่อภิกษุสหายตอบว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมรีบปรับว่าไปขอรับแล้วเทข้าวล้างบาทใส่ในถลอกได้ไปกับหมู่ภิกษุพระศาสดา มีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้วได้ประทับอยู่นข้างหนึ่งภิกษุณีสงฆ์ก็ดีราชบริษัทก็ดีอุบาศบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างตอนนางสิริมาผู้เลอโฉมหาค่ามิได้พระสัสดาตรัสถามพระราชาว่านี่ใครมหาปพิธ พระราชาน้องสาวหมอชีวกชื่อศริมาพระเจ้าค่าพระศัสดานางสิริมาหรือนี่พระราชานางศิริมาพระเจ้าค่า พ, า, า, า, พ า, า, าพระศัสดาถ้ากระนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกรองโฆษณาในพระนครว่าใครให้ทรับพันหนึ่งจงเอานางศิริมาไป พระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาทูลแก่พระสัสดาว่าชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าข้าพระสัสดาตรัสว่ามหา พ, าพิธถ้ากระนั้นจงลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า ใครให้ทรับห้าร้อยจงเอาไปไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทัสองรัยห้าสิบสองร้อยหนึ่งร้ยห้าสิบยี่สบห้ากหาปณะสิบกหาปณะหกะหาปณะหนึ่งกหาปณะครึ่งกหาปณะบาทหนึ่ง มาศหนึ่งกากรนิกหนึ่งแล้วเอานางสิริมาไปก็ไม่เห็นมีใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาทูลว่าพระเจ้าค่า ชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าๆก็ไม่มีพระศัสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้แลให้ทราบพันหนึ่งแล้วได้อภิรมวันหนึ่งบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มี รูปเห็นปันนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูนดังนี้แล้วตรัสพระกาถานี้ว่าปัสสะจิตตะกตังพิมพังอุรุกายังสมุสิตังอาตรังพหูสังกับปังยัสสะนัตถิทุวังทิตีติ เธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจิตตะกตังความว่ามีความวิจิต อันกรรมทำแล้วคืออันกรรมทำให้วิจิตด้วยวัตถุต่างๆมีอาพรคือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้นบทว่าพิมพ์พังได้แก่ซึ่งอัตภาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่น้อยมีส่วนยาวเป็นต้นในฐานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะยาว เป็นต้นบทว่าอุรุกายังคือมีกายเป็นแผลโดยสามารถปากแผลทั้งเก้าบทว่าสมุสิตังคืออันกระดูกส0 0ร้อท่อนยกขึ้นแล้วบทว่าอาตุรังความว่าชื่อว่าเป็นไข้ประจำเพราะความเป็นสถานที่ต้องบริหารด้วยอิริยาบทเป็นต้นทุกเวลา บทว่าพระหูสร้างกับปังได้แก่อันมหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากบาพระคาถาว่ายสสะนติทุวังทิติความว่าเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนหรือความมั่นคงมีความแตกเรียรายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาโดยส่วนเดียวเท่านั้น ในเวลาจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 พภิกษุแม้รูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปิตผลดังนี้แลเรื่องนางสิริมา